ขอมาอะไร 20บ สักคนได้มาอยากๆดิฉัน เดียวที่เธอหันมองและจ้องสบ ราขูลิอยากจะเป็นต่างหู Lecia อยากให้ <śmany> <เป็น... śmany> คำเมื่อบอกเวลาคือรักคุณ อยากเป็นเสยคล้องคอของคอเธอนั่นอย เขาอยู่บ้านไหมครับเค้าอยู่บ้านมั้ยครับไม่ย่านไม่สบายก็ เป็นแหวนสวมนิ้วอุ้ยแท้หาทําอะไรอยู่ สวยแล้วๆ